วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่นักปฏิบัติธรรมนะเป็นวันแรกที่จะได้เริ่มปฏิบัติธรรมกันจริงๆเนาะครันี้ <c oughs> เราก็ <c oughs> การที่จะ <c oughs> เราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเราเอมีความที่เข้าใจในตรงนี้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเนาะ ถ้าเราศึกษาในพุทธศาสนานี่ <c oughs> มีคำสอนมากมายที่ว่าถึงแปดหมืม่นสี่พันมรรมคัมภ์เนี่ยแต่คำสอนเหล่านั้นถ้าหากว่าเราจะสรุปให้ง่ายนะก็ <c oughs> คือคำสอนนี้มีเพียงสองประการเท่านั้นก็คือประการแรกให้เรารู้จักความทุกข์ประการที่สองก็คือให้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเนาะครานี้ประการแรกเนี่ยเราเร า, เรารู้จักความทุกข์กันหรื อ, อยังเนาะ การที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้น <c oughs> จุดหนึ่งก็คือ <c oughs> เพื่อให้เราเห็นความทุกข์ก่อนเนาะเรามาเนี่ยใช่ไหมบางคนบอกว่าเราไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยจะมาปฏิบัติธรรมไปทําไม <c oughs> อันนี้นะ่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็เข้าใจเช่นนั้นว่าเราก็ไม่มีความทุกข์อะไรนะแต่เมื่อกี้ที่เราได้สวดมนต์ธรรมบัดเช้าไปแล้วนะพระเจ้าก็บอกว่า ชาติปีตุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ <c oughs> มื่อนำปีตุกขังความตายก็เป็นทุกขนะ์ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์นะแล้วก็ความที่เราพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ <c oughs> ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกขนะ์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อประธานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะอันนี้พระเจ้าบอกนะ ก็เหนะ็นว่าเนี่ยจริงๆแล้ว <c oughs> ความทุกข์เป็นสิ่งเราหนีไม่พ้นนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายนะไม่มีใครหนีสิ่งเหล่านี้พ้นไปได้นะนอกจากนั้นนะ่ะความทุกขนะ์ในทางร่างกายเรานะก็มีอยู่นะความทุกข์ในทางจิตใจเราก็มีอยู่นะเพราะความทุกข์ก็มีอยู่สองอย่างคือความทุกข์กายและทุกข์ใจ นความทุกข์ทางกายก็อย่างที่ว่านมาแล้วอะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเราหนีไม่พ้นนะท่านนี้ในบางคนบอกว่าไม่เห็นมีความทุกข์อะไรปัจจุบันก็ไม่มีความทุกข์อะไรนะเราเห็นไหมว่าตอนนี้เราหนาวนะบางคนก็มีความทุกข์จากความหนาวนี้แล้วนะบางคนก็เอนั่งมาต้องนานก็มีความปวดเมื่อยนะตรงเนี้ยบางคนจะเริ่มหิวนะอ่านี่เป็นความทุกข์นะ บางคนก็จะเริ่มง่วงแล้วนะก็มีความทุกขนะ์อันนีนะ้เป็นความทุกข์ที่ว่าเราเราสามารถที่จะสังเกตได้นะแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นในตรงนี้นะมันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ถ้าเรานั่งนานๆก็ต้องกลับมาแก้ทุกขนะ์มายืนเดินนั่งนอนต่างๆเหล่านี้นะหิวก็ไปทานอาหารก็เป็นการแก้ทุกขนะ์หนาวก็ไปใส่เสื้อหนาวก็เป็นการแก้ทุกขนะ์ง่วงนอนนะก็ไปนอนก็เป็นการแก้ทุกข์ แต่มันก็เป็นการแก้ทุกข์เท่านั้นนะมันไม่ได้ไป <c oughs> แก้ที่ให้มันหายไปเด็ดขาดนะหิวเราไปทานอาหารเดี๋ยวก็หิวใหม่นะนอนง่วงไปนอนเดี๋ยวก็ง่วงใหม่ใช่ไเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้ทุกข์กันไปตลอดเวลามันหนีไม่พ้นหรอกจึงสรุปได้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นการแก้ทุกข์เท่านั้นนะมันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริ ง, รงๆนะทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ในด้านจิตใจนะ จิตใจนี้เราบางทีเราสังเกตให้ดีนะมันก็จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจมันมันไม่เคยที่จะอยู่นิ่งน ะ, ะมันก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็มีความคิดไปเรื่อยๆ ค, คิดไปนู่นคิดไปนี่นะความคิดนะั่นแหละมันนำให้เรามีความทุกข์นะบางทีเราคิดไปถึงอดีตนะสมัยก่อนเราจะเคยโดนคนนินทาว่าร้ายนะโดนเขาตำหนิติดเตียนโดนเขา ใส่ร้ายต่างๆันานานะพอเราคิดไปครั้งหนึ่งเราก็มีความทุกขนะ์มีความโกรธความไม่พอใจตรงนั้นนะตรงนี้เราจะเห็นว่าเออจิตใจเขาคิดอยู่เรื่อยๆนะแต่จริงๆเขาก็นําความทุกข์มาให้เรานั่นแหละจากความคิดเหล่านั้นนะหรือในอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ไปคิดกังวลไว้ก่อนแล้วนะนี่ก็เป็นความทุกข์จากความคิดนะอย่างที่ว่าคนเข้มดาเราในอดีตนะเหมือนกเขามีมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จากไป แต่เราก็ยังมีมาแทงตัวเองนับครั้งไม่ท่วนนี่ก็คือเมื่อเราคิดเราก็ทำร้ายตัวเองทุกครั้งจากความคิดเหล่านั้นนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์จากความคิดในด้านจิตใจของเรานะเมื่อในด้านจิตใจก็นาความโกรธความรักความชังความอิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวต่างๆเหล่านี้มามาให้เรานะ นี่ก็เกิดจากความคิดในอารมณ์ต่างๆที่ไหลไปเป็นความปรุงแต่งต่างๆที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวนะบางคนบอกว่ามาที่วัดนี้กลัวผีมากนะโอ้กลัวผีมากเลยนะมันไม่อยากอยู่คนเดียวนะมันมืดนะมีป่ามีอะไรกลัวผีมากนะครนี้ก็เคยคุยกับเขาว่าเออกลัวผีนะจริงๆเราเคยเห็นผีไหมเขาบอกเขาไม่เคยเห็นหรอกเอาแล้วทําไมกลัวผีอ่ะ นะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยดูในโทรทัศน์นะออืมันน่ากลัวมากเลยเพอมาอยู่วัดแนละ้วมันบรรยากาศเหมือนกันในโทรทัศน์มันมืดๆน่ากลัวนช่ไหมมันก็เลยนึกว่าอาจจะมีผีใช่มไหมนี่แหละมันจริงๆแล้วตรงนี้นะ่ะจิตใจเราไปไปสั่งสมของเก่าอยู่มากมายนะอสมัยเราเด็กๆก็จะเคยอ่าดูหนังผีนะดูในโทรทัศน์บ้างในโรงหนังหรืออ่านนิยายต่างๆนี่แหละ <c oughs> มันก็ฝังในจิตใจเรา พอเรามาอยู่ในสถานที่เช่นนี้นะมันมันมันต่างอย่างที่อยู่ที่บ้านเนอมันก็เลยไปปรุงแต่งมีความมืดบรรยากาศก็เหมือนกับที่เราเคยเจอในหนังนะแล้วก็มีหลายๆอย่างดูแล้วมันก็คล้ายๆกันแล้วก็ไปปรุงแต่งว่าเออมันอาจจะมีผีใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะผีมันก็อยู่ในความคิดแล้วมันส่วนใหญ่นั่นแหละใช่ไมเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ว่านาความทุกข์มาให้เรานะตรงเนี้ย ว่าเรารู้ไม่เท่าทันความคิดต่างๆนะบางบางคนนะร่ลำรวยมหาศาลมีเงินต้องไปหมื่นหมื่นล้านนะแต่พอขัดทุนไปเป็นพันล้านนี่ก็ทนไม่ไหวนะไปฆ่าตัวตายก็มีนะอันนี้ก็เกิดจากความคิดขึ้นนั่นเองนะ เ, เกินมาไม่มีต่างแดงเดียวไม่มีแม้แต่บาดเดียวแต่ทุกวันนี้มีร่ารวยเป็นขนาดนั้นแนละ้วมันก็ยังมีเงินเหลืออยู่เป็นหมื่นล้านนะแต่ไปฆ่าตัวตายใช่ไหมเนี่ยมันจากความคิดทั้งนั้นเลยนะ บางคนโดนแฟนทิ้งนะแฟนทิ้งเอทนไม่ไหวแล้วแฟนทิ้งเราเราอกหักนะมันเป็นความทุกข์จริงๆมันชั่วขณะเดียวมันไม่ได้ชุกตลอดชีวิตก็หาไม่นะทุกอย่างมากปีหนึ่งเต็มที่เลยนะมันไม่เกินปีหนึ่งหรอกนะแต่ถ้าใครไวๆเนี่ยไม่เกินเดือนหนึ่งมันก็หายแล้วนะแต่ขณะความทุกข์นั้นมันทนไม่ไหวจริงๆนะมันคิดถึงตลอดเวลานะคิดถึงทุกอย่างออกจากความคิดไม่ได้เลยมีความทุกข์มากนะ มันก็ไม่รู้จะทําไงไม่มีปรึกษาใครไม่ได้ก็คิดว่าอยามีชีวิตอยู่ดีกว่านะอะเมื่อสิ้นชายพึงเชยอะจะอยู่ไปทําไมหรือสิ้นหญิงพึงเชยจะอยู่ไปทําไมนะก็ไปฆ่าตัวตายเลยนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นความคิดชัวนะ่วขณะที่นําเราไปสู่อาการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องนะความทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดแน่นอนถาวอนยั่งยืนแต่อย่างใด แต่ว่าเราออกจากความคิดในตรงนั้นไม่ได้นะหลายอย่างเราก็ไม่ได้มาศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้เข้าใจความคิดของเราจริงๆ <c oughs> เราจึงจมในความคิดแล้วออกจากตรงนั้นไม่ได้เราก็ตัดสินใจผิดพลาดเยอะแยนะคนเราทุกวันเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดเยอะแยะนะตัดสินใจผิดก็ไปไปลักทรัพย์ก็มีนะบางคนลุกรวยๆนี่นแหละไปแต่เดินตามห้างแล้วก็ไปลักทรัพย์พอโดนตำรวจจับได้ลักทรัพย์ทําไมเนี่ยบอกลักด้วยความ อยากจะตื่นเต้นนักด้วยความอยากจะตื่นเต้นอยากจะสนุกนะแต่จริงๆแล้วล่ํารวยมหาสารก็มีนะเนี่ยโดนตำรวจจับกันนะหไปเสพยาเสพติดนะต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมพวกนี้คือเขาไม่ไม่รู้รว่าจริงๆแล้วจิตใจเขาคิดอย่างไรนะไม่รู้จิตใจนี่มีความปรุงแต่งอย่างไรนะก็ไหลไปตามจิตใจไปทําตามจิตใจที่เขาต้องการนะพวกนี้เขาเรียกว่าไม่มี ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามีความยับยั้งชั่งใจนะทั้งทั้งในตัวเองก็มีความพร้อมทุกอยาก่างนะแม้แต่คนที่มีเงินหมื่นล้านไปฆ่าตัวตายก็เหมือนกันนะบางคนเคยสอบได้เกรดสี่ได้ที่หนึ่งมาตลอดนะอแต่อยู่ดีวันหนึ่งก็สอบได้ที่สองได้สามจุดเก้ากว่านะก็ไปฆ่าตัวตายยังมีเลยนะอันนี้อันนี้น่าสงสารนะเนอะร่ารวยขนาดนี้แล้วนะหรือว่ามีสติปัญญาระดับนี้แล้วนะก็ยังตัดใจผิดนะ อันนี้เราจึงเห็นว่าอา <c oughs> ความทุกข์จากจิตใจนะมันจริงๆแล้วมันก็ร้ายแรงแลว้วก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆด้วยในง่ายๆด้วยนะความพอใจไม่พอใจนี่แหละคือความทุกข์ในทางจิตใจเราอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แม้จะร้ายแรงแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะแล้วก็ไม่ใช่แก้แก้ไขนะเป็นความดับได้ด้วยเป็นความทําให้หมดหมดความทุกข์ในทางใจได้อย่างเด็ดขาดนะเหมือนกับพระหัน์นี่แหละท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกาย แต่ความทุกข์ทางใจท่านไม่มีเพราะท่านสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็คือเรามาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ทางใจกันเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ทางกายนะแต่เรามาเพื่อที่จะดับต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์จริงๆในการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้นะกิเลสทั้งหลายอยู่ในใจเราเพราะว่าเรา ต้องมาเวียนไหวใจเกิดนี่แหละใช่ไหมเพราะกิเลสเนี่ยมันนําให้เราต้องมาเวียนไหวใจเกิดเราจึงต้องรู้เท่าทันกิเลสในใจของเราน ะ, ะถ้าเราในชาตินี้เลยมีความทุกข์อยู่ชาติหน้าเราก็ต้องมีความทุกข์ต่อไปอย่างแน่นอนน ะ, ะเพราะฉะนั้นใ น, ในปัจจุบันชาตินี้เรามีมีความโชคดีแล้วที่ว่าเรา <c oughs> ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้มาปฏิบัติธรรมกันได้มาวัดได้มาเจริญส ต, ติกันในครั้งนี้นะ ตรงนี้ถือว่าเราโชคดีกว่าคนเยอะแยะเลยนะคนที่อยากมาวัดนี่มีมากมายนะบางคนต้องรอวันวันส ง, สงกรานบ้างน ะ, ะหรือวันปีใหม่บ้างนี่แหละถึงค่อยมากันนะแต่เรามีโอกาสมาถึงเจ็ดวันนะถือว่าเราโชคดีแล้วนะครั้นี้เรามาเจ็ดวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะก็คือประการแรกนะเรามารู้จักตัวเราเองก่อนใช่ไหตัวเราเองนี่แหละเรา เราต้องรู้จักกายและใจของเราเนี่ยอันนี้มันจะเริ่มเข้ามาสู่วิธีการที่ว่าเราะจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วเนะเ <c oughs> มื่อกี้เราเริ่มรู้จักทุกข์บ้างแล้วนะครนี้ถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะหลีกหลีกเลี่ยงเขาได้น ะ, ะถ้าเรารู้จกักเนี่ยกายและใจเราเหลีกเลี่ยงเขาได้ <c oughs> แต่ครั้นี้เราจะทำอย่างไรนะ ก็ประการต่อมาเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรหรือเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยก็คือกลับมารู้จักกายและใจของเราเนี่แหละน ะ, ะเช่นว่าตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเ ร, รู้ไหมว่าเรานั่งนะบางคนนั่งอยู่จริงนะโอ้ <c oughs> แต่ว่าจิตใจกลับบ้านแล้วนะโอ้ตอนนี้ถ้าอยู่บ้านนะมันจะสบายวันนี้เยอะเลยป่ <c oughs> านนี้เรายังนอนอยู่หรอกเลยไม่ตื่นหรอกใช่ไหมหรือรากาลังนั่งดูข่าวนะั้นมีความสุขใช่ไหมทำไมต้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> เนี่ยตรงนี้แสดงว่าเราเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าใจเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะหรือบาง <c oughs> บา ง, ง, งท่านนะตอนนี้บางคนอาจจ ะ, ะขยับเท้าขยับมืออาจจะเกาศรีรษ ะ, ะอาจจะคันนู่นคันนี่แล้วเรารู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะเนี่ยหละตรงนี้นะเราไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่จิตใจเรากำลังคิดไปเยอะแยะเลยนะคิดถึงเพื่อนคิดถึงที่บ้านคิดถึงความสุข จากการที่ตอนนี้อยู่บ้านแล้วเรารู้เท่าทันไหมว่าขณะนี้กำลังคิดอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าเราหลงไปทั้งหมดเลยนะที่ว่าเราไม่รู้กําลังนั่งอ่ากาลังคิดไปถึงบ้านนี่อันเชื่อว่าเราหลงไปไม่รู้เท่าทันกายและใจเราเนีไอ้ความหลงนี่แหละมันจึงนําความทุกข์มาให้เรานะเพราะเราไม่ได้รู้เท่าทันมันนะบางคนคิดไปสิบเรื่องก็ยังไม่รู้เลยคิดเรื่องอะไรนะไอ้ความคิดอย่างที่ว่ามันก็นํานํา ความทุกมาให้เรานั่นแหละใช่ไหมนำตืต่นต่างมาทั้งความสุขและความทุกขมาให้เราทั้งนั้นเลยนะตรงนี้มันเป็นความหลงไปตลอดเลยนะครั้นี้พระเจ้าบอกว่าอย่างไรนะพระเจ้าบอกว่านะเรานะอในประการแรกนี้นะอถ้าเรารู้กายนะก็เรียกว่ารู้นะรู้กายเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นะคือมันมีกายนะก็มารู้จักกายของเราอก่อนนะ <c oughs> กายเนี่ยมันรู้จักง่ายนะต่อมาก็มารู้จักเวทนา เวทนาก็คือรู้ความสุขความทุกข์หรือว่าเฉยๆนั่นแหละต่อก็มาก็รู้จักจิตใจเราจิตใจเราเป็นอย่างไรคิดอะไรรู้ทันไหมต่อมาก็รู้รู้จักธรรมธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนะธรรมเช่นความแก่ความเจ็บความตายความง่วงความหิวต่างๆเราในนั่นแหละเห็นความที่เขาเป็นธรรมะในตรงนั้นมีความเกิดความดับ อันนี้เขาเรียกว่าสติปฐานสี่สติปฐานสี่ก็คือให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองนะคือรู้จักกายเราทั้งหมดนะทั้งกายเวทนาจิตธรรมนี่จริงๆแล้วก็คือร่างกายและจิตใจเราทั้งหมดเลยนะไม่ได้รู้สิ่งอื่นเลยนะเพราะกายปฏิธรมนี้ไม่ได้เป็นบัตรเพื่อการรู้อย่างอื่นเนาะไม่ได้เป็นบัตรเพื่อรู้อย่างอื่นภายนอกตัวเราเลยแต่ว่ากลับมารู้ร่างกายจิตใจเรานี่เท่านั้นเองนะอันนี้เราจะประเด็นจะได้ง่ายขึ้นนะเออไม่งั้นเรา โอ้มาศึกษาพิษศาสตาแล้วต้องไปเรียนต้องเยอะแยะนะไประเรียนก้าประโยคเรียนยี่ปีไม่จบการประโยคเลยน ะ, ะต้องไปเรียนป ร, ริญญาตรีป ร, ริญญาโทรป ย, ยังเอกเป็นด็อกเตอร์อันนั้นเป็นเรื่องภายนอกแทนของนั้นเลยนะให้ใครจบด็อกเตอร์มาพันด็อกเตอร์ก็ด้วยนะมันก็ไม่พ้นทุกหรอกใช่ไหมเพราะไปเรียนภายนอกทั้งหมดเลยนะแต่เรากลับมาเรียนที่กายและใจเนี่ยมันจะพ้นทุกนะพระเจ้ า, า, ามไม่ได้สอนที่ททอื่นเลยสอนกลับมารู้กายและใจเราเท่านั้นเอง คันนิกายก็ให้รู้อย่างไรนะก็รู้ตอนแรกก็ให้รู้ลมหายใจก่อนนะลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะก็คือลมหายใจเราเนี่ยมีเป็นปกติอยู่แล้วนะเราก็รู้เขาไปตามความเนจริงนั่นแหละไม่ต้องไปดัดแปลงเข้าหายใจสั้นๆหายใจยาว หายใจผิดปกติอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเราดัดแปลงเองนะแต่พระเจ้าให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราหายใจอย่างไรอก็รู้ไปตามเช่นนั้นนะคือตรงเนี้ยถ้าเรารู้ตรงนี้มันจะได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคราวนี้การที่เรารู้ลมหายใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะละเอียดเกินไปนะบางคนถ้าจิตใจไม่ละเอียดก็ทําแล้วมันจะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะอาจจะทำแล้วลมมือหัวทํำเรารู้สึกไม่ค่อยจะสบายกายไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรพระเจ้าก็ให้กรรมฐานต่อมา <c oughs> บอกว่า آ, ยืนเดินน ah, ั่งนอนก็ให้รู้นะยืนก็ให้รู้ว่าเรายืนเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินนั่งก็ให้รู้เรานั่งนอนก็ให้รู้ว่าเรานอนเนาะพระพุทธเจ้านี่บอกว่าให้รู้ไม่ได้บอกไปดัดแปลงเลยนะไม่ได้บอกว่าต้องเดินช้าๆาหรือเดินเร็วๆหรือเดินอย่างไรเดินแปลกๆอย่างไรแต่ให้รู้ตามเป็นความเป็นจริงยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนั่นก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ ตามธรรมชาติของเขาเนาะต่อมาก็บอกว่าให้รู้ในอิบทย่อยทั้งหลายแหล่นะการเดินหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลขวาก้มเงยทรงจีวรสังตินะคู่แขนเหยียดแขนเข้าห้องน้ำนะอุจจาระปัสสาวะ ต, า ต, าต่างเหล่านี้นะดื่มลิ้มกินเคี้ยวทั้งหลายแหล่หรือเราทำอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าเราจะขยับขยื่นร่างกายไปทำอะไร มีการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ให้เรารู้ตรงนั้นนะก็ เ, เรียกว่าสัรมบัญ ญ, ญัตบบพระก็คือรู้ในบทย่อยทั้งหลายแหละน ะ, ะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรช้ า, ชาหรือทําเร็วๆหรือทําอะไรที่ผิดปกติแต่ให้รู้ไปตามที่เขาเป็นจริงๆนะตามตามธรรมชาตินั่นเองน ะ, นะตรงนี้นะนี่คือเรื่องของอกายเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมตรงนี้เรารู้รู้ทันไหมตรงนี้เวลาเรานั่งเรารู้ทันไหมเรายืนเราเดินเรานอนเรารู้รู้ทันไหม ถ้าเรารู้ขนาดที่เรานั่งนี่มันปฏิบัติธรรมจบแล้วนะจบแล้วนะเพราะว่านั่งก็รู้ว่านั่งนี่จบแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราเดินอยู่เรารู้ว่าเราเดินนี่จบแล้วใช่ไหม uh, เรากินเรารู้ขนาดที่เรากินเราก็จบแล้วนะอ <c oughs> <c oughs> มันปฏิบัติธรรมมันง่าย น, นิดเดียวนะไม่เป็นเรื่องยากเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ว่าทํำแล้วออจิตต้องสงบไหมนะมันไม่จําเป็นต้องสงบแค่เรารู้ว่าขนาดทเรานั่งเราเดินจบแล้วนะเพราะการเจริญสติก็กลับมารู้เราปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเรา ปัจจุบันนี้เรานั่งอยู่เราไปคิดอย่างอื่นน่ะเราไม่รู้เราหลงไปแล้วนะเพราะนั้นดึงจากอดีตหรืออนาคตกลับมาสู่ปัจจุบันนั่นเองนะไอ้ความคิดมันไหลเข้ามาจาอดีตนนาคทับทั้งนั้นแต่เมื่อกลับมาอยู่ในปัจจุบันเราไม่ต้องคิดนะขณะนี้กําลังนั่งนี่เราต้องคิดไหมว่ากําลังนั่งนะเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราก็ไม่ต้องคิดเราก็รู้เรากําลังนั่งอยู่แล้วนะ อแต่เมื่อวานนี้เราเดินทางมาอย่างไรเราต้องมานั่งคิดเมื่อวานเดินทางอย่างไรหรือพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อมันจะเป็นความคิดนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็คือความเราไม่ต้องคิดนั่นเองนะครา้นี้เมื่อเราอยู่กับฐานกายมันจะเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาขณะนี้บางท่านจะนั่งพลิกมือซ้ายพลิกมือขวาขึ้นมาเรารู้ในการพลิกมือไปพลิกมือมานั่นคือปัจจุบันธรรมแล้วนะพอเรารู้เราไม่ต้องคิดปั๊บเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะ ความรู้สึกตัวนี้มันไม่ได้คิดนะมันอาศัยแค่ตัวรู้เท่านั้นเองนะกําลังทําอะไรอยู่ก็รู้นะกําลังยกมือพลิกมือขวาพลิกมือซ้ายยกมือสร้างจังหวะนะเราแค่รู้เท่านั้นเองนะไม่ได้ไปคิดว่าเออเราต้องยกมือนะเราต้องพลิกมือไม่จําเป็นนะเพราะความที่เราอยู่กับปัจจุบันมันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองเนาะนะเนะนะพราะฉะนั้นถ้าเราหลงไปมันจะรู้ทันนะเพราะเมื Liv, ม่อหลงไปความคิดมันเป็นความคิดเรารู้ทันว่าเราคิดไปแล้วเนาะ แต่เพื่อนเราเรารู้ว่าความคิดไปปุ๊บเราก็กลับมาได้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้สึกตัวแล้วก็คิดไปยาวคิดไปสิบเรื่องยังไม่รู้เลยกําลังคิดแต่เมื่อเรามีความรู้สึกตัวแล้วเราคิดไปสิบเรื่องเราก็รู้เรากาลังคิดอยู่นะเออมันไม่หลงแล้วนะคิดสิบเรื่องเหมือนกันแต่คิดแล้วเรารู้หรือไม่ถ้าเราคิดแล้วเราไม่รู้นะมันก็เรียกว่าเราหลงไปก็คือมันติดอยู่ในความคิดนั่นเองนะแต่ถ้าเราคิดเรารู้ก็คือเราเห็นความคิดเออมันคิดไม่เป็นไรนะ แต่เรารู้มันกำลังคิดแล้วนะแต่เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งมันก็ความคิดก็น้อยลงหรือจะหายไปเลยนะเนี่ยตรงนี้มันมันแสดงว่ามันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับนะเพราะว่าเราเห็นความคิดมันแล้วนะไม่เป็นไรนะอย่ายไปกลัวความคิดน ะ, <S <S <ๆ>นะเพราะนั้นบางคนกลัวความคิดก็เลยมาทําจิตให้สงบเลยอันนั้นไม่ใช่นะอ่า น, นั้นทําให้เนี่ยมันมันไม่เห็นความคิดจริงๆนะเราไปบังคับเขาให้เขาสงบนะอันนั้นเขาเรียกเป็นสมถะ แต่ที่เราเห็นความคิดเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขเรียกว่าเป็นวิปัสนาเนาะต่อมานะีในเรื่องทางกายเนี่ยเรารู้แล้วนะกายเรานั่งอย่างไรเรารู้แล้วนะเรายืนเดินนั่งนอนเรารู้แล้วนะต่อมาเนะีเมื่อเรารู้ทางกายแล้วมันก็จะมารู้ทางใจต่อได้ด้วยนะต่อมาพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือให้รู้จิตตามความเป็นจริงนะท่านบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะ จิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะหรือจิตมีอาการเช่นใดก็ให้รู้ไปเช่นนั้นเนาะอันนี้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคะก็ทําให้หมดราคะนะจิตมีโทสะก็ทําหมดโทสะจิตมีโมหะก็ทําให้หมดโมหะนะไม่ได้บอกเช่นนั้นแต่ว่าให้เรารู้ไปตามความจริงเท่านั้นเองนะเช่นตอนนี้นะอตอนนี้ท่านรู้สึกว่า โอ้ยง่วงนอนจังเลยอยากจะนอนนะตอนนี้มันไม่ชอบใจเลยอยากจะไปนอนนี่เรารู้ว่าตอนนี้เราไม่ชอบใจนะจบแล้วนะไปบวททำจบแล้วนะตอนนี้โอ้อากาศดีนะอยู่บ้านร้อนนะมาเจออากาศหนาวที่วัดนะมีความชอบใจขึ้นมารู้ว่ามีความชอบใจเกิดขึ้นมาในใจจบแล้วนะการบวททำจบแล้วเพราะมันรู้นะมันแค่รู้เท่นานั้นเองนะอ่า รู้ว่ามีความชอบใจเกิดขึ้นนี่อ่ารู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีอ่ารู้ว่ามีราคะอารู้ว่าจิ ต, ตมีราคะให้รู้มีราคะจบแล้วนะการบัตรธรรมจบเลยะมีความไม่ชอบใจโอ้มันเมื่อยจังเลยนะเมื่อยจังเลยไม่ชอบใจเกิดขึ้นรู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นออันนี้ก็เรียกว่าจิตมีโทสะให้รู้จิตมีโทสะอันนี้ปฏิบัติธรรมจบแล้วนะเราขับรถมาล เ, เจอไฟแดงอ่า เราไม่ชอบใจรู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นนี่จิตนะมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมีปฏิธรรมจบแล้วนะพอไฟเขียวเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโอ้พอใจยินดี <c oughs> มีความชอบใจ เ, เห็นความชอบใจเกิดขึ้นในใจเรานะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนี่ปตะะิธรรมจบแล้วนะนี่มันปฏิปธรรมมันไม่ได้ยากเลยมันง่ายๆแค่เรารู้อาการของจิตในแต่ละขณะที่มันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะ จิตหลงคิดไปรู้จิตหลงคิดไปนี่โมหะเกิดขึ้นรู้แล้วนะจบเลยเพราะฉะนั้นการบัตรธรรมมันจริงจบในแต่ละขณะณะเท่านั้นเองนะการที่เรารู้ากายมีการเคลื่อนไหวต่างๆนะรู้ว่ากายมันเคลื่อนจบรู้ว่ากายหยุดจบนะแค่นี้เองง่ายนิดเดียวยืนนัน่งนอนมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะมันไม่ได้ไปบัติธรรมที่ไหนในทางกายเนะี่ยอยู่ที่เดินยืนเดินนั่งนอนหรือดื่มกินพูดคิด ในทางจิตใจในวันๆเราคิดทั้งวันอยู่แล้วนะคิดนู่นคิดนี่พอใจไม่พอใจรู้เท่านั้นเองจบเลยมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเรารู้ตรงนี้มันจะง่ายนะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรแล้วจากการที่เรารู้กายแล้วรู้ใจนี่แหละพอเรารู้ไปนะมันจะเป็นอย่างไรนะจากการที่เราคิดไปเยอะๆนะพอเรารู้ปุ๊บมันเริ่มหยุดนะจากการที่เราเคยไม่พอใจพอเรารู้ปุ๊บมันจะเริ่มหยุดใช่ไหมจากความโกรธมากเกินเราเคยโกรธเป็นวันก็มีนะ พอเรารู้ปั๊บมันจะเริ่มน้อยลงนะมันจะอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวนะจริงๆอาจจะเหลือแค่นาทีเดียวนะหรือจริงๆแล้วอาจจะเหลือแค่สองสาวินาทีเท่านั้นเองเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้ความทุกข์เราน้อยลงนะความทุกข์น้อยลงเกิดจากการที่เรารู้เท่าทันกายและใจนั่นเองนะตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่ไม่ได้ไปห่างไกลนะมาก่อนจิตจะเตลิดเปิดเปิงไปไกลมากนะคิดเรื่องรู้เรื่องนี้ไปท่องเที่ยวตลอดเลยแต่เมื่อให้เขากลับมาที่รู้ที่กายและใจเขาจะไม่ไปไกล เพราะว่าเรามีวิหารธรรมก็คือเป็นเครื่องอยู่ของกายและใจแล้วน ะ, ะบางทีเราไม่รู้จะทำอะไรนะวันๆหนึ่งเราก็เมื่อไม่รู้ทำอะไรจิตก็เลยเหมอลอยน ะ, ะจิตใจลอยก็คิดนู่นคิดนี่ตลอดแต่เมื่อให้เขามีมีความรู้สึกตัวบ้างนะ่มาสร้างยังหวะมาเดินจงกรมจิตก็ไม่ไปไกลนะมันจะอยู่กับร่างกายจิตใจหรนะืออะไรอยู่ปัจจุบันธรรมเมื่ออยู่ปัจจุบันธรรมก็ไม่ไหลไปอดีนไม่ไหลไปอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าเออตรงนี้นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้ว เพราะนั้นเราสามารถอยู่ได้นะไม่ต้องไปดูโทรทัศน์ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ต้องไปเที่ยวกับแฟนกลับมาอยู่กับตัว ต, วตนนี่เราได้นะนี่เราไม่ต้องอาศัยคนอือ่นแะล้วไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของนะไม่ต้องอาศัยเพื่อนแต่เราอยู่ตัวเราเองได้นะมีความสุขจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันธรรมนี่แหละนะแล้วก็จิตใจเรานะเมื่อก่อนเราโอ้เหงาจังเลยไปดูหนังนะเครียดจังเลยไปฟังเพลง นะเบื่อจังเลยไปหาเพื่อนนะนะเครียดจังเลยไปเที่ยวอไปดื่มกินนะในกาแฟร้านกาแฟนะเบื่อจังเลยนะไปหาสิ่งเหล่าอื่นมาทดแทนดีกว่านะอันนั้นแสดงว่าเราแก้กปัญหาผิดแล้วนะอไปเพิ่มปัญหาอีกต่างหากเราเสียเงินในต่างหากด้วยนะกลับมารู้จักจิตใจเราปับดับนะอมีความทุกข์ดับทันที เห็นความเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาเลยโอ้นี่มันมีความสุขกันเยอะเลยนะไม่ต้องออกนอกบ้านนะอยู่บ้านเรานั่นแหละกลับมารู้กายรู้ใจเราจะเห็นว่าเออไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นเข้ามาแก้ทุกข์เลยเพราะเราสามารถแก้ทุกข์ได้โดยตัวเองเราอยู่แล้วนะแค่เรารู้ทันเขาดับทันทีเลยนะรู้ทันความโกรธปั๊บดับอรู้ทันความเครียดปุ๊บดับรู้ทันความเหงาปุ๊บดับรู้ทันความอิดชาปั๊บดับรู้ทันความคิดหวงมันดับเลยเนี่ยมันมันยิ่งกว่าเราไปใช้วิธีการเพื่อมาแก้ทุกข์อีกนะ ตรงนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะเพราะถ้าเป็นเรื่องยากนี้มันก็ไม่มีไม่มีพาระรหันต์หรือไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพาาระริยเจ้าทั้งสิ้นแต่ว่าท่านแก้ทุกข์ได้จริงๆนะตรงนี้เราไม่ได้ว่าเราต้องให้ถึงเป็นพาระรหันต์นะแค่เรากลับมารู้จักการละใจเราเท่านั้นเองมันก็ดับแล้วนะเนี่ยเป็นหนทางที่ง่ายๆที่ว่าเรากลับมารู้การละใจเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นะในเจดวันนี้นะเราก็เราก็ไม่ต้องไปรู้อะไรอย่างอื่นเนาะอย่างอื่นเรารู้มาเยอะแล้วใช่ไหมทัวทัศน์ก็รู้ดูมาเยอะแล้ว หนังก็ดูมาเยอะแล้วนะฟังเพลงก็ฟังมาเยอะแล้วไปเทีย่ยวมันก็เที่ยวมาเยอะแล้วไปกินอาหารดีๆก็กินมาเยอะแล้วไปนอนที่นอนดีๆก็นอนมาเยอะแล้วนะกลับมาฝึกกายและใจเรานะการฝึกตัวฝึกตนมันจะต้องมีการลำบากนิดหน่อยใช่ไหมกลับมาถ้ามาอยู่วัดมาอยู่ห้องแอร์ อ, อ, อยู่ที่นอนสูงใหญ่นะมีเครื่องทําน้ําอุ่นดีๆนะมีอะไรทุกอย่างพร้อมอันนั้นเราก็ไม่เห็นความทุกข์จร ok, นะิงๆหรอกงนั้นก็มึงก็อยู่บ้านเรา น, ะนั่นแหละใช่ไหมแต่กลับมาการฝึกตัวฝึก ตนมันจะต้องมีบางอย่างที่มันต้องฝึกน ะ, ะเป็นการที่เราไม่ไมต้องตามใจเราเกินเราทุกอย่างใช่ไหมการกินการอยู่นี่เป็นเรื่องที่ว่าเรากลับมาสามารถที่อยู่ได้กับทุกๆแห่งทุกๆสถานทีนะ่ไม่จะลำบากขนาดไหนนี่แหละคือการฝึกตัวฝึกตนนะให้รู้จักกินเลยเราเองนะกลับมารู้กายรู้ใจเรานี่แหละใช่ไหมไม่ไปรู้อย่างอื่นนะเจ็ดวันนี้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแล้วอตอนนี้เพื่อนเป็นไงที่ทํางานเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรอันนั้นไม่ยังเป็นนะกลับมารู้ว่าเรากาลังคิดไปสู่อยู่กับกายและใจเรานี่แหละมารู้กายรู้ใจเราท่านนั้นเองเราจะรู้สึกว่าเจวันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าเราขณะอยู่วัดเราไปคิดถึงเพื่อนคิดถึงที่ทํางานคิดถึงภายนอกคิดถึงครอบครัวมันจะเหมือนกับเราโอมาติดคุกนะมันนั่งนับเอาเหลืออีกหกวันแล้วพรุ่งนี้เลยก็ห้าวันมันเหมือนกับติดคุกเลยนะอนะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบนันไม่อยู่กับกายและใจนั่นเองนะ แต่ถ้าเรามาอยู่กับกายและใจนะอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่คิดเลยเลยว่ามันสบายมันทําไมเอ๊ะมันผ่านมาเร็วขนาดนี้นะแป๊บแบเดี๋ยวต้องกลับไปแล้วโอ้นงี้ยแะมันจะเป็นแบบ น, นั้นเลยนะเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจจริงๆนะจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะอยู่กับสิ่งเราเนี้ยได้นะแต่มันต้องใช้เวลาการปรับตัวต้อประมาณ3ามวันเขาเรียกว่าสามวันนี้กําลังเข็ดเลยนะอ๋อสามวันเมื่อกลับเกือบจะกลับอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหม มันก็จะเริ่มเข็ดนะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะต่อไปเราจะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นปกติได้แล้วนะมันจะรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาเราเราจะค่อนข้างที่จะมีความมีความสุขขึ้นนะมีมีความสบายขึ้นตรงเนี้เกิดจากการปรับตัวได้แล้วก็ร well, ่างกายเราจิตใจเราเริ่มเ ป, ป็นปกติได้หลายๆอย่างนะจากการที่มันเคยแสวงหาความสุขมันก็กลับมายอมรับในความที่ว่าปัจจุบันทำได้นะสุขทุกข์ไม่เป็นไรกลับมารู้ว่าขณะนี้สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะมันก็จะ ากลายเป็นปกติได้นะตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถนําไปใช้ได้ต่อไปนะเพราะไม่ว่าชีวิตเราจะโดรยด้วยดอกกุหลาบก็หาไม่นะชีวิตเราเนี่ยมันต้องประโชนความสุขและความทุกข์อีกเยอะเลยถ้าใจเราเรานี่เราสามารถยอมรับความทุกข์ได้นะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนั่นแหละต่อไปความทุกข์เราจะน้อยลงนะแต่ถ้าไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับในปัจจุบันทำนี้เราไปเจอความทุกข์เลยทนไม่ไหวนะและนั่นแหละจะนําให้เรามีความทุกข์มากยิ่งขึ้นเนาะ เพราะนั้นตรงนี้ก็ให้ฝากพวกเรานะให้เราสามารถยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนี้ในขณะนี้แล้วก็ยอมรับที่ครูบาอาจารย์สอนนระกับมารู้กายรู้ใจแล้วนี่แหละเราจะพบความสุขที่แท้จริงน ะ, ะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณปรารถนาไตรให้พวกเราทุกท่านนะให้มีความสุขความเจริญนะทั้งในทางรู้ทางธรรมนะให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเรายิ่งยิ่งไปทุกท่านเนาะ